เด็กๆ ก, ก็ตั้งใจฟังนะอันไหนรู้เรื่องก็พิจารณาอันไหนไม่รู้เรื่องก็ผ่านไปก่อนนะวันนี้เนี่ยเมื่อเช้ามันมีข่าวใหญ่นะแพร่ไปทั่วโลกนะเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับโทรทัศน์ทุกช่องนะ แล้วก็รวมถึงวิทยุทั้งหลายด้วยนะก็คือข่าวลีกวนยูนะถึงแก่อสัญญกรรมอสัญญกรรมก็แปลว่าตายนั่นแหละลีกวนยูนี่เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของสิงคโปร์นักเรียนเด็กๆรู้จักไหมประเทศสิงคโปร์เนี่ยมันอยู่ทางใต้สุดของด้ามขวาน ขวานทองเนี่ยมันมีด้ามขวานแล้วก็ใต้สุดเลยเนี่ยมันมีจุดเล็กๆ เ, เป็นเกาะนะเรียกว่าสิงคโปร์เล็กกว่ากรุงเทพอนะสิงคโปร์เนี่ยประชากรก็น้อยกว่ากรุงเทพแต่ว่าสิงคโปร์นี่เป็นมหาอำนาจก็ได้นะเป็นศูนย์กลางด้านการเงินการพาณิชย์ ของทวีปเอเชียโดยเฉพาะนะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เรียกว่าอาเซียนเป็นทั้งศูนย์กลางการคมนาคมด้วยนะคนสิงคโปร์ประเทศสิงคโปร์นี่ร่ำรวยมากอันนี้ก็ความเจริญของสิงคโปร์ก็เกิดจากนะนายรัฐมนตรีคนนี้แหละนะีกวยูแต่ถ้าย้อนหลังไปเมื่อ50ปีที่แล้วนี่ มันเหมือนกันหน้ามือกับหลังข้าเลยนะสิงคโปร์เนี่ยเนะมื่อ50สิบปีที่แล้วนี่สิงคโปร์นี่จนมากเป็นเกาะเล็กๆที่ไม่มีอะไรเลยนะทรัพยากรก็ไม่มีตอนที่รีกวนยูเขาประกาศเอกราชนะจากอังกฤษนะสิงคโปร์มันเคยเป็นของอังกฤษนะเมื่อประมาณจนถึงปีเนี่ย2 0 0พ ห้าได้2 5งพนะตอนที่สิงคโปร์เขาประกาศเอกราชจากอังกฤษนะีสิงคโปร์ก็ไม่มีอะไรเลยนะลีกวนยูนี่เขาก็รู้ว่าประเทศเขาเนี่ยคงจะไปไม่รอดถ้าอยู่เดียวดายก็เลยไปขอไปเป็นส่วนหนึ่งของประเทศมาเลเซียนะมาเลเซียนี่มันเป็น ประเทศที่อยู่ข้างบนนะอยู่ติดกับไทยขอไปอยู่กับมาเลเซียเพราะว่าจะได้พึ่งพาอาศัยกันมาเลเซียเป็นพี่ใหญ่นะสิงคโปร์เป็นน้องเล็กแต่ประกบว่าอยู่ได้สองปีมาเลเซียก็บอกว่าสิงคโปร์เราแยกกันอยู่ดีกว่าเพราะว่าเธอกับฉันมันแตกต่างกันมากเหลือเกินนะ สิงคโปร์นี่คนจีนเยอะมาเลเซียนี่แขกเยอะเขาก็ไล่นะไล่สิงคโปร์ออกไปจากสหพันธรัฐลองนึกนะคนที่ถูกไล่ออกจากบ้านนี่จะรู้สึกยังไงนะตอนนั้นเนี่ยหลีกวนยูนี่เสียใจมากประเทศของตัวถูกไล่ออกถูกขับสายไล่ส่งวันที่เขาประกาศว่า สิงคโปร์นี่ถูกขับออกจากมาเลเซียนี่เขาเขาร้องไห้เลยนะพอเขารู้ว่าเขารู้สึกว่าอนาคตของประเทศนี้มันมันคงไปไม่รอดแล้วละ่ะเพราะว่าเป็นประเทศเล็กไม่มีอะไรเลยให้สัมภาษณ์นังสือพิมพ์โทรทัศน์ก็ให้สัมาสภมมาษณ์ไปซักพักก็ร้องไห้แล้วก็บอกว่าหยุดสัมภาษณ์ก่อนสักครู่ได้ไหมเพราะว่าทําใจไม่ได้นะ ที่ประเทศของตัวนี้ต้องตกมาสภาพเช่นนี้คือถูกปล่อยให้เป็นเอกเทศนะแล้วประเทศเราจะอยู่ยังไงนะประเทศเล็กนิดเดียวไม่มีอะไรสักอย่างนะทรัพยาก ร, กรก็ไม่มีอดีตก็เป็นแค่หมู่บ้านชาว ป, ประมงนะแต่เรานึกภาพเลยเดี๋ยวนี้ ส, สิงคโปร์นี่มัน เรียกว่ากลายเป็นประเทศที่ร่ำรวยมากขนาดนายุรุธรรมเมื่อ50ปีที่แล้วนะคือเลวกรนยูเขาก็ท้อแท้หมดหวังนะประเทศฉันยากจนเหลือเกินฉันจะอยู่รอดได้อย่างไรนะแต่ว่าเขาไม่ยอมแพ้นะเขาร้องไห้สักพักแล้วเขาก็สู้ต่อแล้วเขาก็ฉลาดนะคือเขาก็มองว่าประเทศสิงคโปร์ มันไม่มีอะไรเลยก็จริงนะแต่ในโลกนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันแย่หมดนะในโลกนี้ไม่มีอะไรที่แย่หมดมันต้องมีดีอยู่บ้างอยู่ที่ว่าจะมองเห็นหรือเปล่านะแล้วก็เลวคนอยู่ก็พบว่าประเทศเรายากจนก็จริงแต่ว่ามันอยู่ในตาแหน่งที่เป็นศูนย์กลางสามารถจะเป็นศูนย์กลางด้านการค้าการเงินได้เพราะว่า มันเป็นเมืองท่านะเรือเดินสมุทรนะจากยุโรปอเมริกาก็ต้องมาผ่านสิงคโปร์นะอันนี้ก็เป็นจุดแข็งนะถึงแม้จะปลูกข้าวไม่ได้ถึงแม้จะทํานาทําไร่ไม่ได้นะแต่ว่าก็สามารถจะทํามาค้าขายได้เขาก็ใช้จุดแข็งนี่แหละนะในการพัฒนาสิงคโปร์ขึ้นมา ที่จริงเนี่ยไอการที่สิงค โ, โปร์นี้ไม่มีอะไรเลยเนี่ยทรัพยากรนี่อันนี้ก็เป็นจุดอ่อนนะแต่ว่ามันก็เป็นจุดแข็งในเวลาเดียวกันนะนั <c oughs> เด็กๆฟังดีๆนะไอสิ่งที่มันเป็นจุดอ่อนนะ่ะถ้ามองให้ดีมันเป็นจุดแข็งเพราะว่าพอประเทศไม่มีทรัพยากรเนี่ย จะส่งออกอะไรก็ส่งไม่ได้เพราะฉะนั้นทางเรื่องมีทางเดียวคือต้องพัฒนาคนพัฒนาคนให้มีวิชาความรู้แม้เขาก็ทุ่มเทมาเรื่องการศึกษาทุ่มเทจนกระทั่งคนสิงคโปร์มีความรู้เดี๋ยวนี้นี่ทุกวันนี้ก็ยังมีความรู้มากกว่าคนมาเลเซียคนไทยอีกนะอันนี้มันตรงข้ามกับเมืองไทยนะตรงไทยนี่เมืองไทยนี่มันมีทรัพยากรเยอะ ปลูกอะไรก็ขึ้นนะคนก็เลยก็เลยไม่ค่อยเน้นเรื่องการพัฒนาคนนะก็เป็นในเรื่องการปลูกพืชโน้นพืช น, นี่ไปเมืองไทยและประเทศที่มีความเจริญทางด้านเกษตรกรรมเนี่ยหรือว่ามีทรัพยากรมากเนี่ยแทบทุกประเทศเลยนะเป็นประเทศที่คนเนี่ย ไม่ค่อยพัฒนาเท่าไหร่ดูอย่างซาอุดีอาระเบียเนี่ยตะวันออกกลางเนี่ยร่ลำรวยน้ํามันนะแต่ว่าคนความรู้นี่มีน้อยเพราะว่าผู้ปกครองก็คิดว่าในเมื่อหาเงินง่ายนี่นะเอาของไปขายเอาน้ํามันไปขายเอาแร่ธาตุไปขายเอาข้าวไปขายมันก็เลยไม่มีความจําเป็นต้องพัฒนาคน ตรงข้ามกับประเทศที่ไม่มีอะไรเลยนะเขาจะเห็นความสําคัญการพัฒนาคนมากาเช่นสิงคโปร์ฮ่องกงนะหรือแม้แต่ประเทศญี่ปุ่นหรือแม้แต่ประเทศเล็กๆอย่างสแกนดิเนเวียนะพวกนี้ทรัพยากรมีน้อยนะก็เลยเป็นแรงกดดันให้ต้องพัฒนาคนเพราะพัฒนาคนแล้วนี่มันก็ทําให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาเศรษฐกิจขึ้นมา ให้ความยากจนนี่มีข้อดีนะเหมือนกับเด็กเนี่ยประเทศกับคนนี่เหมือนกันนะคนที่ยากจนเนี่ยอย่าไปคิดว่าเป็นครากกรรมนะมันมีข้อดีคือว่าทำให้เขาต้องรู้จักพึ่งตัวเองอยากได้อะไรก็ต้องทาเองต้องลงมือทำเองมันก็ทำให้เขารู้จักเจ็บหอมรอมริบมันทำให้เขารู้จักขยันหมั่นเพียรต้องช่วยตัวเอง เพราะฉะนั้นก็จะเกิดความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจคนที่เกิดมารวยนะคาบช้อนช้อนทองมาอันนี้อย่าคิดว่าเป็นโชคอย่างเดียวนะมันเป็นเคราะห์ด้วยนะคนที่มีพ่อแม่รวยนี่ถือว่าเป็นเคราะห์ด้วยเพราะว่าจะไม่รู้จักพึ่งตัวเองเท่าไหร่นะชอบแบกมือขออยากได้แล้วก็แบกมือขอขอพ่อขอแม่แม่ไม่ให้พ่อไม่ให้ก็โกรธคนอย่างนี้เนี่ย โตขึ้นก็จะพึ่งตัวเองไม่เป็นเราก็จะไม่สนใจศึกษาวิชาความรู้เพราะว่าไม่จำเป็นเนี่ยนะไม่ต้องทำงานก็มีเงินใช้นะเพราะฉะนั้นจะเรียนไปทำไมฉะนั้นลูกคนรวยหลายคนก็เป็นประเภทว่าสติปัญญาไม่มีนะอันนี้ไม่ใช่ทุกคนนะแต่ว่าหลายคนเนี่ยปัญญาทึบแล้วก็ไม่ขยันหมั่นเพียรเอาแต่เที่ยวเอาแต่เล่น อันนี้ก็เลยกลายเป็นข้อกรรมนะอย่างสิงคโปร์นี่เขาเขาจนนะเขาจนทรัพยากรเขาก็เลยเน้นวิชาความรู้เน้นเทคโนโลยีนะคนที่เขามีความรู้เขาก็เลยสามารถจะพัฒนาประเทศได้นะเรียกว่าเปลี่ยนจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็งนะเปลี่ยนคราะให้เป็นโชคนะนะพวกเราเนี่ยนะ เราบางคนเกิดมาก็ยากจนนะเราก็อย่าน้อยเนื้อต่ำใจนะเพราะว่าไอ้ความยากจนของเรานี่มันเป็นประโยชน์นะมันจะทำถ้ารารู้จักใช้ให้เป็นนี่มันก็จะทำให้เราเป็นคนเข้มแข็งมีความขยันหมั่นเพียรรู้จักพึ่งตนเองเก็บหอมรอมริบไดนะ้อยู่ที่ว่าเราจะรู้จักใช้จุดอ่อนให้เป็นจุดแข็งได้หรือเปล่า มันมีเรื่องของเด็กคนหนึ่งนะเป็นเด็กชายอายุ10บขวบนะเป็นเด็กญี่ปุ่นแกอยากจะฝึกวิชายูโดโมากรู้จักยูโดไหมนะก็ไปขอสมัครเป็นศิษย์จากอาจารย์ที่เก่งมากคนนึงอาจารย์ก็ไม่ยอมรับไม่ยอมรับเป็นศิษย์ แกก็มีความเพียรพยายามมากก็ไปเฝ้าอยู่หน้าหน้าสำนักไม่ใช่เป็นชั่วโมงนะเป็นวันเลยนั่งอยู่ยนั้นแหละสุดท้ายอาจารย์ก็ยอมรับเป็นสิทธิ์แล้วก็บอ ก, กบเด็กคนนี้ว่ า, เ, าเธอเป็นคนแรกนะที่ฉันยอมรับเป็นสิทธ์ทั้งๆ ท, ท, ที่แขนด้วนเด็กคนนี้เนี่ยไม่มีแขนนะ แขนข้างซ้ายหายไปพอประสบุบัติเหตุตอนเด็ ก, ดกอันนี้คือเหตผลที่อาจารย์ไม่ยอมรับเป็นสิทธิ์นะแต่ว่าอาจารย์ก็เห็นว่าเด็กคนนี้มีความเพียรพยายามมีความตั้งใจมากก็เลยรับแล้วก็บอกเด็กว่าบอกลูกศิษย์ว่าจะสอนแค่ท่าเดียวนะคือท่าท่าจับควนะ่ำจับสะบัดหรือว่าท่า ความคู่ต่อสู้จะสอนท่าเดียวเพราะสอนท่าอื่นไม่ได้เนื่องจากเธอมีแขนข้างเดียวนะก็สอนท่าวิธีที่จะเหวี่ยงคู่ต่อสู้ให้ล้มลงเด็กก็เรียนแต่ท่านี้แหละนะจนชันนิชำนาญแล้ววันหนึ่งก็มีเทศกาลแข่งยูโดนะเด็กก็อาสานะสมัครไปแข่งด้วย ตอนที่ไปแข่งเนี่ยพ่อแม่ก็ก็ทาใจแล้วนะว่าคงแพ้นะนะไปให้ไปให้กำลังใจลูกทั้งที่รู้ว่าลูกเนี่ยเชื่อว่าลูกเนี่ยแพ้พอแขนมีข้างเดียวบอกกับว่าชนะนะเพราะว่าสามารถจะใช้ท่าไม้ตายเนี่ยเหวี่ยงคู่ต่อสู้ให้ล้มลงนะผู้ต่อสู้ถ้าล้มนะก็แพ้นะ ก็ปรากฏว่าเป็นที่ตื่นเต้นนะมากนะเด็กก็มีกำลังใจแล้วก็แข่งลึกเข้ารอบลึกไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งในที่สุดนะเชื่อั้ยชิงชนะเลิศได้ไปเข้าชิงชนะเลิศคู่ต่อสู้นี่เป็นแชมป์เก่าปีที่แล้วนะตัวก็ใหญ่กว่านะมีมือสองมือมีแขนสองแขน พ่อเนี่ก็แม่ก็เตรียมและทําใจนะถือว่าลูกเข้ามารอบลึกขนาดนี้ก็เก่งแล้วแต่ปอกว่าในที่สุดนะไม่น่าเชื่อนะเด็กที่มีแขนข้างเดียวนี่สามารถที่จะคว่ําคู่ต่อสู้ได้เด็กนี่ไม่เชื่อเลยเนี่ยไปหาอาจารย์บอกว่าผมทําได้ยังไงเนี่ยขนาชนะแล้วนี่ก็ยังงงนะว่าเราทําได้ยังไง อาจารย์ก็เลยบอกว่ารู้ไหมว่าทำไมเธอถึงชนะเพราะว่าคู่ต่อสู้เนี่ยของเธอเนี่ยถ้าเขาจะเขาจะคว่เธอเขาจะเหวี่ยงเธอเนี่ยเขาต้องใช้แขนข้างขวาเนี่ยจับแขนข้างซ้ายของเธอถึงจะเหวี่ยงเธอให้ล้มได้แต่เธอไม่มีแขนเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเหวี่ยงเธอล้มไม่ได้แต่เธอเนี่ย สามารถจะคว่าเขาได้นะเพราะว่าเธอฝึอกมาอย่างดีเรื่องการความคู่ต่อสู้เด็กก็เลยรู้นะว่าการที่ตัวเองไม่มีแขนเนี่ยนะมันไม่ใช่จุดอ่อนนะมันเป็นจุดแข็งนะเพราะว่าคู่ต่อสู้เนี่ยเขาไม่รู้จะจับแขนของเด็กคนนั้นเนี่ยได้อย่างไรเพราะว่าไม่มีแขนเนี่ยนะก็เลยไม่สามารถที่จะจับให้กระชับแล้วก็เวียงให้ล้มได้ อันนี้นะก็เหมือนกับเรื่องสิงคโปร์นะการที่รู้จักใช้จุดอ่อนให้เป็นจุดแข็งนะคนเราก็เหมือนกันไม่ว่าใครจะมีจุดอ่อนแค่ไหนมองดูให้ดีเรายังมีจุดแข็งอย่างอื่นแล้วถ้าดูให้ลึกไปกว่า น, นั้นไอ้จุดอ่อนนั่นแหละในบางสถานการณ์มันกลายเป็นจุดแข็งได้นะบางคนตัวเล็กนะบางคนพิการตัวเล็กก็ดีพิการก็ดีเนี่ยมันก็เป็นจุดอ่อนนะ แต่ว่าถ้าใช้ให้เป็นนะเป็นจุดแข็งนะเป็นจุดแข็งตัวเล็กนี่ไว้นะเมสซี่นี่ตัวเล็กไมนะรู้จักเมสซี่หรือเปล่าะรู้จักไหมเออตัวเล็กหรือตัวใหญ่เมสซี่เนี่ยนะตัวเลนะเ็กนะเผด็จการอย่างอย่างสตาลินนะนะสตาลินนี่เป็นเผด็จ ก, การของรัสเซียโอ้โหยิ่งใหญ่มากเมื่อ50ปีที่แล้วตัวเล็ก ตัวสูงกว่าหลวงพ่อแค่เซนสเซนนั่นแหละนะแต่ว่าคนทั้งทั้งทั้งประเทศรัสเซียนี่กลัวมากนโปเลียนก็ตัวเล็กเติงเสี่ยวผิงประเทศจีนก็ตัวเล็กรู้จักตเติ้งเสี่ยวผิงไหมประเทศจีนน่ยนีพวกนี้ตอนนี้ยังจําไม่ได้นะแต่ว่าโตขึ้นจะจะต้องจําให้ได้นะเพราะว่าสําคัญแล้วนะคนตัวเล็กนี่เขาก็เขาจะไปเขาก็จะรู้ว่า จะไปเน้นพละกำลังไม่ได้ก็ต้องไปเน้นที่สติปัญญาแทนเราก็ใช้สติปัญญานี่แหละทยานจนเป็นผู้นำประเทศอันนี้ไม่ใช่เฉพาะจุดอ่อนที่มันกลายเป็นจุดแข็งเท่านั้นนะรวมไปถึงเวลาเจอทุกนะเวลาเจอทุกเนี่ยอย่าไปมัวแต่เศร้าโศกเสียใจหรือโมโหนะ มันมีประโยชน์เหมือนกันนะทุกเนี่ยนะทุกนี่มันสามารถเปลี่ยนเป็นสุขได้นะมีหลายคนนะที่ชีวิตเขาเปลี่ยนเพราะว่าเขาเจอความทุกข์เสถีบบางคนเนี่ยทำไปทำมาเนี่ยกิจการล่มละลายเสียใจมากไม่รู้ว่าจะไป จะไปหาทางออกยังไงก็มีคนแนะนาให้เข้าวัดไปปฏิบัติธรรมพอไปปฏิบัติธรรมก็พบโอ้มันมีความสุขที่ยิ่งกว่าความสำเร็จมันมีความสุขที่ประเสริฐกว่าความร่ำรวยนะก็คือสุขจากธรรมะสุขจากสมาธินะแล้วเขาก็เลยบอกนขอบคุณนะที่ล้มละลาย ขอบคุณนะที่เจอวิกฤตเศรษฐกิจนะเพราะว่าถ้าไม่เจอก็ไม่พบธรรมะเหมือนกับบางคนที่เป็นมะเร็งเป็นมะเร็งเนี่ยโอกาสตายเนี่ยนะแ0ด้นะโดยเพราะบางบางโรคเช่นมะเร็งตับอ่อนหรือว่ามะเร็งปอดเนี่ยพอรู้ว่าจะต้องตายนี่ทำไง จิตใจกลัววิตกก็เลยหันหน้าเข้าหาธรรมะพอไปปฏิบัติธรรมได้พบกับความสุขที่สงบเป็นความสุขที่วิเศษบางคนถึงกับบอกว่าเนี่ยโชคดีที่เป็นมะเร็งนะเคยได้ยินไหมขอบคุณมะเร็งโชคดีที่เป็นมะเร็งนะเพราะว่ามันทําให้ได้มาสนใจได้มาพบธรรมะนะเมื่อสักสองปีที่แล้วเนี่ยมี มีนักดนตรีชื่อดังคนหนึ่งชาวอังกฤษนะแกเป็นทั้งนักแต่งเพลงแล้วก็มือกีต้าร์ชื่อดังของอังกฤษชื่อวิลโกจอนสันเป็นตอนที่หนุ่มๆ น, นี่เป็นนักดนตรีแนวพังนะแนวพังนี่สมัยก่อนนี่มันเป็นแนวที่เรียกว่ า, าดังทีเดียวนะเขาก็ดังมาจนกระทั่งเาอายุหกบอกว่ามันหนึ่งไปตรวจ ที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าเขาเป็นมะเร็งตับอ่อนแทนที่เขาจะเสียใจนะเขากลับดีใจนะใจนี่ฟูเลยเขาเล่าว่าตอนที่เขาออกจากโรงพยาบาลเนี่ยเขารู้สึกมีชีวิตชีวามากมองเห็นต้นไม้มองเห็นท้องฟ้านี่ดูมันสวยไปหมดเลยมันเป็นความรู้สึกที่อัศจรรย์มากเขาบอกว่า แม้แต่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็ ก, ลกๆน้อยๆลมเย็นๆที่พัดมากระทบหรือว่าก้อนหินที่เขาเหยียบแต่ละก้อนนี่ดูมันสวยไปหมดเลยคนที่พบว่าตัวเองเป็นมะเร็งนะแล้วก็จะต้องตายภายในเก้าเดือนถึงสิบเดือนเนี่ยทำไมเขาถึงรู้สึกว่าโลกนี่มันสดใสรู้สึกมีชีวิตชีวาเพราะเขาพบว่า ในเมื่อจะอยู่ในโลกนี้อีกไม่นานนะไอ้ทุกสิ่งที่เห็นเนี่ยมันก็จะกลับเป็นสิ่งที่มีค่าขึ้นมาเพราะว่าต่อไปก็จะไม่ได้เห็นแล้วนะต้นไม้ทองฟ้าที่เราเคยเห็นทุกวี่ทุกวันดูเหมือนจำเจแต่พอรู้ว่าเราจะต้องตายแล้วจะไม่ได้เห็นอีกเนี่ยเขารู้สึกเลยว่ามันสวยนะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ทองฟ้าเขบญญาบรรยายว่าเนี่ยเขารู้สึกเป็นอิสระนะ เหมือนกับนกนะที่มันลอยอยู่แล่นถลาลมนะรู้สึกว่ามีชีวชีวาเขาพูดถึงกับท่านว่าไอ้สิ่งที่เคยทำให้เขามีความวิตกกังวลมีความเศร้าใจเดี๋ยวนี้มันทำอะไรเขาไม่ได้แล้วเขาถึงก็บอกว่าไอ้ทำไมเพิ่งมารู้สึกเอาตอนนี้นะทำไมไม่ไม่รู้สึกมาก่อนหน้านี้นี่คําำพูดของค น, คนที่เป็นมะเร็งนะ แล้วก็รู้ว่าตัวเองกำลังจะตายเพะฉะนั้นโรคร้ายเนี่ยนะเช่นมะเร็งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะจะเร็วร้ายที่เสียทีเดียวนะมันก็สามารถจะทําทให้เราเนี่ยเกิดมีชีวิตชีวาขึ้นมาใหม่ได้ก่อนหน้านี้นี่วิโ ก, โกจ็จนซันที่เขาเป็นโรคซึมเศร้านะโรคซึมเศร้าแต่พอรู้ว่าตัวเองจะอยู่ในโลกนี้ได้ไม่นานเนี่ยเกิดมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันที เจรู้สึกว่ากระปี้กระเป๋าขึ้นมาทันทีโรคซึมเศร้าหายไปเลยเข้าถึงกลับบอกว่าเนี่ยทำไมเพิ่งมาเพิ่งมารู้สึกแบบนี้ตอนนี้นะมันน่าจะรู้สึกมาก่อนหน้า น, นี้ต้องนานแล้วนะีอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะเป็นประโยชน์ของของของมะเร็งนะทั้งนั่นที่มันหมายถึงความตายที่อยู่ข้างหน้าตอนที่เขาบอกว่าเนี่ย สิ่งที่เคยทำให้เขาเศร้าเสียใจวิตกกังวลหรือรำคาญเนี่ยตอนนี้มันทำอะไรเขาไม่ได้แล้วเนี่ยมันคล้ายกับที่ที่สตีฟจ็อบสนะสตีฟจ็อบซึ่งเป็นนะคนที่ประดิษฐ์ไอโฟนไอแพดไอพอนะในรู้จักไหมไอโฟนอ่ะนะไอโฟนไอแพดเนี่ยสตีฟจ็อบนี่แหละฝีมือเขาแหละนะ จิจ๊บจ๊อยเป็นมะเร็งตับอ่อนเหมือนกันแล้วเขาก็พูดคล้ายๆกันว่าความเือยธะยานความภาพภูมิใจความกลัวหน้าแตกกลัวล้มเหลวนะไอสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันกลายเป็นเรื่องจิ๊บจ๊อยไปเลยหรือว่าแทบจะไม่สําคัญเลยเวลานึกถึงความตายตเวลาเขานึกถึงความตายที่จะเกิดขึ้นกับเขาเนี่ยไอความทุกข์ความเศร้าความกลัวหน้าแตกความกลัวล้มเหลวนี่มัน มันละลายหายไปเลยคนเราเวลานึกถึงโรคภัยไข้เจ็บอย่าช่นโรคมะเร็งเนี่ยดูมันน่ากลัวนะเวลานึกถึงความตายมันชวนให้หดทู่แต่ว่าประโยชน์มันก็มีนะแต่มันทําให้เราเนี่ยเกิดความเห็นคุณค่าของทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเห็นคุณค่าของทุกสิ่งที่เราประสบสัมผัส ทั้งทั้งที่แต่ก่อนที่ดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยนะแต่ตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องที่งดงามสิ่งที่เคยทําในทางตรงข้ามสิ่งที่ทําให้เป็นทุกข์นะมันก็ทําให้ทุกข์ไม่ได้และ้ะเพราะว่ามันกลายเป็นเรื่องจิ๊บจอยนะเมื่อเทียบ ก, กับความตายอันนี้เรียว่าทุกข์เนี่ยมันสามารถจะเปลี่ยนให้เป็นสุขได้นะเคราะ์เนี่ยมันสามารถจะเปลี่ยนให้เป็นโชคได้ให้เวลาเราเจอความทุกข์เนี่ยนะเจอ เหตุการณ์ร้ายๆเนี่ยลองมองให้ดีนะมันมีประโยชน์นะแต่ว่าใหม่ๆเนี่ยตอนที่มันเกิดเหตุเนี่ยเราอาจจะรู้สึกเสียใจทำใจไม่ได้แต่ก็ก็อย่าเพิ่งไปหมดหวังสิงคโปร์เนี่ยถ้าหากว่าไม่ถูกมาเลเซียขับออกมาจากสา พ, พันธลัตเนี่ยอาจจะไม่ร่ำรวยเหมือนทุกวันนี้ก็ได้นะ แต่การที่เขาถูกขับออกมาเรียกว่าถูกถีบก็ได้นะซึ่งทำให้เขาเสียใจมากถึงกับร้องไห้นะแต่ว่ามันกลับกลายเป็ น, ปนผลดีนะทำให้เกิดทาให้เกิดการฮึดสู้ขึ้นมาเกิดการใช้สติปัญญาเพื่อที่จะมองหาจุดแข็งหรือข้อดีหรือที่ภาษาสมัยใหม่เรียกว่าศักยภาพนะซึ่งก็ทำสำเร็จ มันไม่มีเหตุการณ์ร้ายๆอะไรนะที่ไม่มีข้อดีนะแล้วกระทั้งเหตุการณ์ที่เกิดกับผู้ชายคนหนึ่งนะเมื่อสักปีที่แล้วเนี่ยมีชาวอังกฤษคนหนึ่งชื่อจอร์นโรเจอร์ชาวันนันอากาศดีนะเลยพาหมาเนี่ยออกมาเดินเล่นขณที่กาลังจูงหมาสบายใจอยู่ปรากฏมีผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งมาชนเขาผลักเขาล้มลง ทีแรกเขาน้นว่าเป็นเพื่อนล้อเล่นแต่พอเหลือไปมองผู้หญิงคนนี้เขาไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้นี่ไม่ใช่เพียงแค่ผลักเขาให้ล้มนะแต่อย่างเอามีดจ้วงแทงด้วยมีดสปาต้านะีแทงไปตามร่างกายแทงที่แขนที่ขาลำตัว40แผลนะแล้วก็ทิ้งเขาปล่อยให้เขานอนจนกองเลือดคงอยากจะให้เขาตายนะคาที่แต่ว่าโชคดีมีคน มาช่วยเขาพาส่งโรงพยาบาลจนกระทั่งเขารอดปลอดภัยตอนที่เขาอยู่โรงพยาบาลก็ได้ข่าวว่าผู้หญิงคนนั้นถูกจับได้ตำรวจสอบสวนก็ได้ความว่าเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงอายุสามสิบเนี่ยในช่วง1ิบวันที่ผ่านมาฆ่าคนไปแล้วสามคนแล้วก็ทำให้อีกสองคนบาดเจ็บสาหาัส นะหนึ่งในสองคนนั้นที่บาดเจ็บสหาหัสก็คือตัวเขานี่แหละโรเจอร์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีเรื่องโกรธเคืองอะไรก็นเลย น, นะผู้หญิงเขาเพียงแค่ไม่รู้ว่าเขาเป็นวิกฤตจริตหรือเปล่านนะก็แค่อยากจะแทงอยากจะฆ่าให้ตายพอจับผู้หญิงได้นะก็มีนักข่าวมาสัมภาษณ์โรเจอร์เนี่ยว่า ตอนนี้จับผู้หญิงได้แล้วนี่คุณอยากมีอะไรอยากจะอยากจะบอกอยากจะถามเขาไหมโรเจอร์เนี่ยซึ่งเกือบตายนะเพราะผู้หญิงคนนี้แทนที่จะโกรธนะก็กลับพูดเพียงว่าอยากจะถามว่าทําไมต้องทําอย่างนี้กับผมนะทำไมต้องทําอย่างนี้กับผมผมอยากจะรู้ไม่ได้มีความโกรธเลยมีแต่ความอยากรู้ว่าทําไมถึงมาแทงเขานักข่าวก็ถามต่อไปว่าแล้วคิดอย่างไรนะกับเหตุการณ์นี้คิดว่ามัน มันมีผลต่อชีวิตของคุณหรือเปล่ามันมีผลเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไหมเขาตอบว่ามันทำให้ผมได้คิดนะว่าวันหนึ่งผมเดินเล่นอยู่อาจจะมีรถแล่นมาทับผมตายก็ได้อะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นชีวิตมันไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นจะต้องทำวันนี้ให้ดีให้ดีที่สุดนะ หรือว่าทำสิ่งที่ดีสุดตั้งแต่วันนี้คือแทนที่เขาจะบ่นว่าทำไมฉันซวยแบบนี้นะฉันทำอะไรถึงต้องมาเจอแบบนี้เขากลับมองว่าเหตุการณ์นี้ให้ประโยชน์กับเขามันเตือนให้เขาไม่ประมาทเตือนให้เขารู้ว่าอาจจะตายวันนี้วันพุ่งก็ได้เพราะว่าอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรีบทา สิ่งที่ดีสุดตั้งแต่วันนี้นะอย่าไปผัดผ่อนทาวันพรุ่งนี้นะพรพรุ่งนี้อาจไม่มีก็ได้อันนี้ก็ถือว่าขอได้ประโยชน์นะจากเหตุการณ์นี้คนบางคนนะเจอเหตุหล้ายที่บากว่านี้แต่ว่าก็เอาแต่โกรธเอาแต่ตีโพยตีพายว่าทำไมต้องเป็นชั้นทำไมต้องเป็นชั้นแต่ว่า คนบางคนเนี่ยเขารู้จักใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์นะใช้เหตุร้ายเป็นเครื่องเตือนใจให้ไม่ประมาทนะหรือว่าใช้เหตุร้ายเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนให้รู้สึกว่าชีวิตแต่ละวันมันมีคุณค่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ประสบสัมผัสนะมันเป็นสิ่งวิเศษอัศจรรย์เพราะพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้เห็น นะอย่างวิลโกจอนสันเนี่ยที่เขาเล่าเมื่อสักที่พูดเมื่อสักครู่เนี่ยอันนี้มันเป็นมันเป็นธรรมะเลยทีเดียวนะคนเราถ้ามีธรรมะแล้วเนี่ยไม่ใช่เอาแต่ทำความดีอย่างเดียวแต่ว่ามีสติปัญญาฉลาดเห็นความจริงของชีวิตก็จะพบว่ามันไม่มีอะไรที่แย่ไปหมดนะทุกอย่างมีข้อดีทั้งนั้นแม้กระทั่งนะ ถูกคนแทงแม้กระทั่งเป็นมะเร็งนะมันก็มีข้อดีอยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นหรือเปล่าแด้ถ้าเกิดว่ามองแล้วไม่เห็นเลยนะมันก็ยังมีข้อดีอย่อยางนึงนะคือดีที่ไม่แย่ยไปกว่า น, นี้นะเวลาสามัญเนหรือว่าศิลจารณีทำเงินหายเนี่ยนะอย่ามวัวแต่เสียใจ นะต้องลองใคร่ครวญดูว่ามันมีข้อดีอย่างไรบ้างมันอาจจะสอนใจเราเตือนใจเราว่าให้ระมัดระวังอย่าประมาทเวลาจะวางอะไรก็ให้มีสตนะิเพราะบางทีมันไม่ใช่ว่าคนเอาไปแต่เป็นเพราะว่าเราวางไม่เป็นที่แล้วก็คนอื่นเขาก็เห็นเขาก็เลยเออกไป งั้นถ้าเรารู้จักใช้เหตุการณ์ที่ว่าเนี่ยมาเป็นเครื่องเตือนใจให้เราไม่ประมาทให้เรารู้จักระมัดระวังให้เราทําอะไรไ ม, มีสติอันนี้ถือว่าเราได้กําไรนะหรือจะมองอีกแง่นีอ้อีกมุมหนึ่งก็ได้นะว่านะเงินหายนะก็ดีกว่าโทรศัพท์หายนะโทรศัพท์หายนะก็ดีกว่าคอมพิวเตอร์หาย คืออะไรที่เกิดขึ้นกับเราแม้จะแย่ไงเนี่ยมันก็ยังดีที่มันไม่แย่ไปกว่า น, นี้มีเด็กคนนึงนะอายุก็สิบสี่และจะเป็นมะเร็งสมองนะรู้จักมะเร็งสมองไหมมะเร็งสมองนี่ก็มีโอกาสตายนะเกือบร้อยเปอร์เซนวันหนึ่งจิตอาสาไปเยี่ยมก็เห็นเด็กคนนี้ผมนี่ร่วงหมดเลยเพราะว่า ผ่านการฉายแสงผ่านการฉีดเคมีมาแต่เด็กเนี่ยท้านที่รั่วตัวเองเป็นมะเร็งนะแต่ว่าหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสว่างๆก็วาดรูปเล่นพอจิตอาสามาก็ชวนจิตอาสาคุยจิตอาสาก็แปลกใจทำไมเด็กพูดเด็กพูดคุยมันก็ไม่มีอะไรเลยมันคนปกตินะคุยไปคุยมาเด็กก็บอกว่า โชคดีนะที่ไม่ได้เป็นมะเร็งมดลูกมีญาติคนนึงเป็นมะเร็งมดลูกเนี่ยปวดมากเลยหนูโชคดีนะที่เป็นแค่มะเร็งสมองโอจิตอาส า, าฟังแล้วอึ้งเลยนะจิตอาสานี่เป็นอายุก็ระดับแม่หรือป้าของเด็กคนนี้นะแต่ว่าไม่สามารถจะคิดเหมือนเด็กคนนี้ได้เด็กคนนี้แทนที่จะตีโพลตีภายว่า ทำไมฉันถึงต้องเป็นฉันมะเร็งสมองอายุแค่14ปีเธอกลับมองถึงขั้นเห็นว่าโชคดีนะที่เป็นแค่มะเร็งสมองเนี่ยเวลาเราเจอเจออะไรขึ้นมาเนี่ยก็อย่ามัวตีโพยตีพายนะลองมองว่าเออโชคดีนะที่มันมันเสียแค่นี้นะเงินหายร้อยบาทก็โชคดีนะที่หายแค่ร้อยบาทดีกว่าหาย200ร้อยหายสามรนะ้อย เรามองแบบนี้บ้างมันก็ทำให้เราเนี่ยเสียแตงเงินแต่ใจไม่เสียคนฉลาดเนี่ยเขาจะเสียเมื่อเมื่อจะต้องเสียนะเขาจะเสียอย่างเดียวนะเสียเงินนะก็เสียแตงเงินใจไม่เสียแต่คนไม่ฉลาดเนี่ยพอเสียเงินแล้วเนี่ยใจก็เสียด้วยนะแทนที่จะเสียอย่างเดียวก็เสียสองอย่าง แล้วพอใจเสียแล้วนะมันก็เสียอย่างอื่นตามมานะคือพอเสียใจมากๆเขาก็กินไม่ได้นอนไม่หลับร่างกายผ่ายพร้อมก็เสียสุขภาพอาถึงขั้นเจ็บป่วยหรือถึงไม่ไม่เจ็บป่วยแต่ว่าก็ไม่มีกำลังใจเรียนเสียการเรียนอีกนะเสียการเรียนถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็เสียงาน แล้วก็พอเสียใจหงุดหงิดมากๆอารมณ์บดจอยนะเวลาเพื่อนมาก็วอยวายใส่เพื่อนทะเลาะกับเพื่อนง่ายๆก็เสียเพื่อนอีกนะบางทีเสียเพื่อนอีกนะจากเดิมแค่เสียเงินนะพอวางใจไม่ถูกทำใจไม่เป็นก็เสียใจเสียสุขภาพเสียการเรียน แล้วก็เสียเพื่อนนะถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็เสียงานเสียสมบัติภาพนะแต่ถ้าเราวางใจถูกนะรู้จักมองเป็นนะเราก็สามารถจะใช้ประโยชน์หาประโยชน์จากเหตุการณ์นี้ได้นะอันนี้แหละที่เาเรียกว่าคิดบวกนะคิดบวกนี่ไม่ได้หมายความว่ามองว่าอนาคตจะสดใสข้างหน้านะแต่มองว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นตอนเนี้ยที่มันแย่แย่เนี่ยมันมีข้อดีอย่างไรบ้าง นะนักเรียนหรือว่าสามเณรศิลจรณีเนี่ยถึงแม้เด็กก็ยังก็ยังทำแบบนี้ได้นะสามารถจะมองแบบนี้ได้นะเพราะว่าเรามีสติปัญญานะถ้าเรารู้จักมองบ่อยๆนะเราก็จะสามารถกนะ้าวข้ามหรือผ่านไอ้ความทุกข์ต่างๆได้เรามาบวชเนี่ยนะ ก็เพื่อที่จะมาเรียนเรื่องแบบนี้ด้วยอย่างเช่นมาเรียนรู้จากความยากลำบากว่าความยากลำบากความไม่สะดวกสบายเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรบ้างอย่าเอาแต่บ่นนะว่าโอ้ยมันไม่สบายไม่สะดวกเหมือนที่บ้านเลยไม่ว่าจะเป็นเวลากินเวลานอนเวลาอาบน้ำนะมันไม่เหมือนที่บ้านเลยแต่ให้รู้เถอะนะว่าเ น, นี่ยมันมีประโยชน์นะความไม่สดวกสบายหรือความยากลาบากเนี่ย มันจะช่วยทำให้เราเข้มแข็งไม่ช่วยทำให้ ร, รู้จักพึ่งตนเองได้ไม่ทำให้เราไม่เอาแต่แบงมือขอแม่ขอพ่อนะหรือว่าอ่อนแอเหมือนกับเวลาเวลาเราไปเจอนะตอนเด็กๆถ้าเกิดว่าเรานะไปเจอฝุ่นนะไปเจอฝุ่นไปเจอไปเล่นกับทรายเนี่ยนะ บางคนบอกว่าโอ้มันไม่ดีนะมันสกรปรกแต่มันมีประโยชน์นะไปเล่นกับฝุ่นไปเล่นกับทรายเนี่ยมันทำให้เราได้เชื้อโรคไอเชื้อโรคที่เราได้รับนี่มันมีประโยชน์นะมันทำให้เรามีภูมิคุ้มกันเด็กที่ไม่เคยเจอดินไม่เคยเจอทรายไม่เคยสำลักน้ำคลองเนี่ยนะเจอแต่เรียกว่าเด็กอนามัยนะไม่เคยเจอเชื้อโรคเลยเนี่ย อันนี้ถือว่าเขาเสียงนะเสี่ยงกับการที่จะเป็นโรค <c oughs> เดี๋ยวนี้เด็กที่อนามัยจัดนี่มีโรคโนโรคนี้เยอะโรคมือเท้าปากโรคแพ้โรคภูมิแพ้สารพัดเพราะว่าตอนเด็กๆไม่ค่อยเจอเชื้อโรค ก, การที่เราเจอเชื้อโรคบ้างเนี่ยเจอฝุน่นเจออะไรบ้างมองแมแบมบ้างนี่ถือว่าเป็นข้อดีนะถามเรามีภูมิกัน มีปุมมคุ้มกันทำให้โรคแพ้โรคคือโรคหอบโรคหืดโรคมือเท้าป่าพวกนี้นี่เรียกว่าห่างไกลไปได้เลยไอสิ่งที่ลำบากสิ่งที่เป็นโทษนี่มันมีประโยชน์นะถ้าเรารู้จักมองเอาแล้วก็คำนิ้วพวูดกันเท่านี้น ะ, ะกราบพระพร้อมกัน